น้ำปะนะเนี่ยน้ำมะพราวเนี่ยเลยเวลาเที่ยงไปฉานไม่ได้เขาจัดว่าเป็นประเภทมหาผลในวินัยเนี่ยจะปรากฏอยู่ในวิ น, ยนัยมันมียาวะชีวิตยภาวะการิยามะอาหารที่ถวายเป็นยามเป็นเวลานะแต่ถวายเป็นยาเป็นยามเป็นเวลาเป็นยาเป็น อาหารมีสตากาลิกมียามะกาลิกยาวไชีวิตนะั้นน้ำมะพร้าวเนี่ยเขาจัดเป็นน้ำมหาผลนะาท่านบางทีเราไม่ได้เรียนระเบียบวนในถ้าพระทั้งอื่นมาเนี่ยเขาตกใจนะเขาไม่รู้นะเห็นไหมเวลาพระฝรั่งอย่างไอ้ันโทนมาท่านมาปฏิบัติธรรมกับเราบางทีเราตักอาหารยาวเนาะสามร้อยสี่ร้อยคน ต้องรอจนทั้งโยมเขาตักเสร็จท่านกะตักอาหารมารอนะแต่เผื่อโยมตักเสร็จมันเที่ยงพอดีอะ่ะท่านจะเลิกทันเลยจบเขาไม่ทานนะคือคนที่เขาซื่อสัตว์ซื้อตรงบอกว่าทำไมไม่ไนเขาก็ซื่อจริงๆนะตรงจริงๆถือเป็นเรื่องดีเราเนี่บางทีถ้าอย่างนี้อนุโลมต่อไปจะเยอะขึ้นจะมากขึ้นมันจะเป็นเรื่องอื่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ความปรารถนาดีนะแต่ เียแต่เขาไม่รู้เฉยๆถ้าไม่รู้อย่างพระเราก็ไม่ได้เรียนวิ น, นัยไม่ได้เรียนอะไรมาไม่รู้เรื่องปฏิลงตาก็ไม่ได้เตือนมีอะไรมาก็กินมอดไม่รู้เรื่องอะไรปกติเขาให้เข้าแต่ไม้สีฟันกับน้ํานั่นเองอาหารที่มีเนื้อมีอะไรไปเนี่ยเขาห้ามแถมแม้ว่าน้ำมะพร้าวไม่ไม่มีเนื้อเขาก็เรียกจัดอยู่ในประเภทมหาผล เขาห้ามนเนี่ยผลไม้ที่เขาให้ในวินัยมีอยู่แปดชนิดเองนะสำหรับทำน้ำปะณะ น, นะนอกนั้นก็อย่าห้ามเพราะอะไรเพราะว่ามันเสี่ยงต่อความประมาทเสี่ยงต่อความเพลิดเพลินเสี่ยงต่อการที่จะติดในรถในชาติเกิดความเพลิดเพลินมันมินเมย์มากไอความรู้สึกอันเนี้ยนิดเดียวเองชอบไม่ชอบเนี้ย มันที่อะไรก็ได้ขอแต่เป็นน้ําไม่ได้น้ําข้าวเนี่ยถือว่าผิดเด็ดขาดเลยนะเวลาเราต้มข้าวต้มน้ําเปเพราะน้ำมันอนะ่ะผิดมาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เตือนกันเราไม่รู้จักนะก็มันต้องมีนะในแต่ละที่ต้องมีผู้เป็นนักปราศที่ใดไม่มีปราศเขาไม่เรียกว่าสภาสภานี่คือมีผู้รู้อยู่ด้วยรู้อะไรผิดอะไรถูก อะไรควรเตือนอะไรควรบอกไม่ควรบอกแต่เขาเรื่องบอกว่าในคําสอนพระพุทธเจ้าเ่ยบอกสรวมในพระปาติโมกสํารวมปาติโมกปาติโมกเวลาเรสวดมามีไหมอันเนี้ยไม่มีเขาเรียกว่าอธิพมมจริยากาสิขาเ น, นี่ยคือถ้าผู้ที่เขาจะมีกันมุ่งหวังเพื่อกันดับทุก์เนี่ยอะไรที่มันถูกใจ่ ต้องระวังละประมาณนั้นแต่ฉันอาหารบางทีก็เออเทียน้ําราดลงไปดับรสชาติมันให้เป็นเรื่องแต่ฉันอาหารดีเจฉอยอจะไม่คิดหาว่าอะไรอร่อยคืออร่อยขึ้นไปเรื่อยๆคือคนทำนี่เป็นเรื่องหนึ่งนะคนทำเนี่ยเป็นเครื่องของคนทำแต่คนบริโภคเนี่ยต้องรู้จักว่าบริโภคเพื่ออะไรเราไม่ได้ติติงว่าโทษคนนั้นคนนี้ทําผิดทําถูกก็เหมือนกัน่ะ ไม่ได้โทษสังคมเขาเป็นในโน้นในนี้นนนไหม่ก็ทําเนี่ยเขาโพษถึงความยึดไม่ยึดในใจเราเนี่ยเองบางทีตามใจมากเคยตัวอต่อไปเอ้าสมัยอยู่ที่นั่นเข า, เยยาก็ยังพากินยังพาทานในโน่นนี้มันจะเริ่มเอาเป็นบรรทัดฐานนะบางทีเราไม่รู้ว่ามันถูกมันอะไรเนี่ยปกติน้ําปันน่นไม่มีนะไอ้ติมเนี่ยเขาไม่ให้กินนะปกติ พอปั่นมาจากมหาผลคือปั่นมาจากมะพร้าว้เนี่ยผิดไม่ควรนะไม่ควรทำอะไรประมาณบางทีเราไปเห็นแตงกวาเราปัน่นแตงกวาปัน่นแตงเข่นตุลุปปัน่นอะไรประมาณนี้นะอะไรก็ตามที่เป็นมหาผลเนี่ยเขาไม่ไม่ให้ทําผลที่ใหญ่ๆเนี่ยไม่ได้แม้แต่ผลฟักทองเนี่ยเขาก็ห้ามนะเป็นมหาผลไม่ได้ไม่ควรนะ มันเป็นเรื่องที่คือผู้ที่จะดับกิดเลดสต้องละเอียดละเอียดแล้วก็มองอย่างละเอียดมองเผื่อคนอื่นนะอางีผู้ระ อ, อานอ่านถึงหรือยังมหาผลนี่เออเขาว่ายังไงลองว่าไปดูดนีอ่านหน้ า, าไปาไน้นเลยลองว่าดูที้เขาว่าอนนั่นนะ่ะ อืมเอามะพร้าวนี่หละมันเขาล่าว่ายังไงมะพร้าวเนี่ยไม่ได้อ่านเรอไม่มีมะพร้าวนะหรือผ่านอยู่คบู๊ตโคบู๊ตโูเหมือนกันแหละมีมไหมห่วยมร้างที่เขาเขียนไว้นะน้าทำธุล่ะ มะพราวนี่ให้กินได้แต่เปลือกนี่นะเนื้อไม่ได้เลือกเขียนไว้น่ะนะเปลือกนี่ทานได้นะกินได้แต่ห้ามทานเนื้อมันเนี่เปลือกกะลามันนะ่ะทานได้เนี่ยหลวงปู่สั่งนี่เรียนจบมาก่อนแม่นว่าหลวงปู่ว่มีเดือกมันนเ <c oughs> อาบ่มี่พนักพนวะ โบมี่ ม, จมจีจบไม่เจ๊กเจ้าปีแล้วโบมีแล้วพนักงาะอืมมันเป็นไปได้โบลุงปูลงเพ ร, พรพาพผู้ได้ย่อกว่าให้สันเปลือกมะเหน่งกับกล้ามันงไหมฟังไหน่งเปนวะพระปุริเจ้าอนุญาตกับสันบ่ได้แล้วพนักงาะอนุญาตอยู่หัสันไม่ได้มันแข็งอไม่ได้นะอาจจะเป็นแบบอาจจะเป็นยาวะ เอายาวกาลิกเขาอาหารที่ถวายเป็นยามเป็นเวลานีนแบบข้าวอย่างเงี้ยนะเขาจะให้ยามเชา้ายามเที่ยงยามเนี่ยไม่เกินนี้เป็นยามสัตหากาลิกเนี่ยให้ถวายได้เก็บไว้ได้ไม่เกินเจ็ดวันเนยใสยเนยขนน้ามันน้าผึ้งน้ำอ้อ ย, เ, ยเก็บไว้ได้ไม่เกินเจ็ดวันนะ เนยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยถ้าเก็บไว้เกินเจ็ดวันเขาว่ามันเป็นทะทิเป็นกะทิคือมันจะบูดนันหนึ่งหละสองก็คือมันอย่างน้ำพึ่งเนี่ยพอเก็บได้แต่ถ้าเป็นปลาเป็นเนื้อเป็นอะไรที่เขาถวายมาเนี่ยอเขาไม่ถวายเกินเพลินไปอย่าคนมาถวายเนี่ยอาหารที่เก็บไว้ฉันเนี่ยเขาไม่ให้ถวาย ล่วงเพลินไปแล้วเนี่ยไม่ลับลับไม่ได้หรอกโยมเอ้ยเลยเพลินแล้วอเอาไปเก็บไว้ที่ครัวเลยฝากเอาไว้นะ่พรุ่งนี้ค่อยให้ฝากแม่ชีมาถาวายอะไรประมาเนี้ได้แต่บางทีบางคนก็จะเป็นแบบอืมเอาถาวายกรลับให้ดวงตาก็ลับลับตอนนี้ก็คือเอาวคืนไปตอนเนี้ยรับตอนนี้แหละเอาแม่ชีเอาไปเก็บอนะ่ะเนี่ยพอได้อยู่ เนเนอมันมีตู้เย็นตู้ร้อนมันมีหลายอย่างนะเก็บนั่นเก็บนี่ทีนี้ยายาไว้ชีวิตยายารักษาโรคเนี่ยถวายแล้วเก็บไว้ได้ตลอดเก็บไว้ได้นานอันเนี้ยยาชนิดนั้นยาชนิดยาประจําตัวเนี่ยเก็บไว้ ไ, ได้เป็นยาไว้ชีวิตยามากาลิก นั้นบางทีบางทีวเวลาเราทําน้ำปะนะเนี่ยมันอร่อยแล้วมันเพลิดเพลินไปก็คิดหาว่าจะทําอะไรอร่อยมาอร่อยไปเรื่อยๆโยมน่ะไม่มีปัญหาอะไรแต่โยมก็จะรู้สึกว่าชอบรู้สึกว่าอร่อยอะไรประมาณนั้นบางสํานักในเวลาเราไปกินในอย่างนี้น้ําำถั่วเหลืองเนี่ยนมถัวเหลืองเขาไม่เอานะ โอวันตินเนี่ยเขาถือว่าทํามาจากผลิตมาเห็นเขาเถียงกันนะผลิตมาจากใครผลิตมาจากไอโนนอานิเบโน่ทีเ่เขาไม่กินนะนะไม่ทานโอวันตินนะกินกาแฟกินกาแฟกินโคกเนี่ยกินโคกเนี่ยเขาจะกินมากนะเห็นพวกพระเขาอาจารย์มคมกริดเนี่ยเวลาเขามาวัดเรานะฮ ไม่ทานนั้นนำปัะหาอวนตินเนี่ยแต่เขาจะซื้อโคกมาเขาจะทานคือเขาไม่ได้กินโคกไม่ได้กินกพแฟไม่ได้กินกินตามเหตุปัจจัยมีอะไรก็ทานพออยู่ได้ถ้าอยู่ได้อยู่แล้วก็ไม่คือไม่ต้องกินอย่าให้กินมาเป็นประเพณีมันอยู่ได้อยู่แล้วก็อย่าไปกินใช่ไหมอย่าไปกินเอารสเอาชาติมันอย่าไปกินเอาความเพลิดเพลินมันเนะฮะแย่นั้นนได้แต่มาโอ้กินไม่ได้เราอันนี้โยมไปซื้อนั้นมาไปนี่ เนี่ยถ้าอยากให้ทานจำนนวนถ้าอยากให้ทานไปซื้ออย่าไปวิ่งไปอย่าไปซื้อไม่มีก็ไม่มีโอ้ก็ไม่อยากให้ทานแหละก็บอกก็จบไปมีอะไรก็คือให้อันนั้นแต่ถ้าต้มอะไรอ่ะต้มสมุนไพรเนี่ยอืพอได้นี่ย น, นี่วัดเนี่ยวัดหลวงพ่ออชันหงเนี่ยเนี่ยใครไปไปฏิบัติทำที่นั่นไปปฏิบัติยังไงก็ตามรุ่นไหนก็ทําำท่านตัดท่อนไม้ใส่หม้อต้ม ท่อนเดียวนั่นแหละจบเจดวันนะนะเธอกินน้ำเฉพาะน้ําท่อนไม้นั่นแหละตักไปมีกระบวยตักแต่เขาให้กินต่อดเวลานะแล้วแต่ใครหิวก็ไปตักดื่มมาเลยคือเขาต้มร้อนอยู่ตลอดหม้อมันเดือดอยู่แต่ต้มสมุนไพรก็ตักเอาน้ําพระคือมีแค่นั้นนะคุณไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเจ็ดวันเนี่ยไม่มีอะไรนะอย่างมากก็ น, น้ําแกง อาหารอย่างเงี้ยเขาก็ตักให้ไม่ชีเดินเข้ามาพระเดินออกมาเขาตักถวายอาหารถ้วยนึ่งเนี่ยน้ําปลาใส่อะไรก็คือเขาตักให้เองอ่ะคุณจะถูกใจไม่ถูกใจก็ตามเท่านั้นเองคนตักอาหารก็ไม่ใช่คนเดืม่มวันนี้คนนี้ตักให้คุณจะไปตีสนิทไว้หรือพรุ่งนี้มึงอย่ลืมกูเด้เ อ, อานือถือกันได้แล้วไม่มีเพรุ่งนี้เขาไม่ให้เขาเปลี่ยนคนใหม่แล้วพวก่งนี้เขาจับฉลาก จำลากเขาเรียกเขาว่าพัดตุดเทศพัดตุดเทศคือผู้แจกพัดผู้แจกพัดผู้แจกพัดนี่เขากลัวมันติดสนิทกันนะ่ะว่าอาจารย์ครูคนนั้นคนนี้เลยแจกไม่เขาจะเอาคนหนึ่งเขามาแจกเอาวันนี้ไม่ชี้ในโม่จับสลากได้แจกเนราะฉนั้นมันก็มีอยู่คนหนึ่งว่าต้อ ง, ต, องต้องทําดีต่อกันเน๊ะแต่ถ้าไม่ชี้ผิดห้องมองใจกันก็ให้น้อยเดียวเน๊ะอย่างงี้นะ ไม่จะมีนะเออมึงให้กูเยอะพวกนี้กูก็จะให้มึงเยอะนะถ้ากูเวียนกูอนยะ่างนี้เขาก็เลยถูกกันบางทีนะเพราะอาหารการกินที่จริงไม่ใช่นะฮก็จะเปลี่ยนไปวันนี้เป็นแบบนึงท่านพวกนี้คนนี้เป็นคนแจกเขาเรียกว่าพัตตุเทสกะพัตตุเท ศ, เ, ทศเป็นผู้แจกพัตแจกพัตตาหารน่ะเขาเรียกแจกพัตตาหารอหกพัตตุเทศแจกพัต สักให้แล้วเข้ามาเหมือนหนังญี่ปุ่นที่เคยฉายให้ดูอะเป็นนั่นแหละต้องเดินแจกนะต้องแจกนะแล้วก็ห้ามส่งดูด้วยก็ให้ก้มหนะ้าก็ตักให้เท่าไหร่ก็เท่านั้นน่ะคือแต่และทั้งหมดเนี่ยท้องจะเล็กท้องจะใหญ่ก็เท่านี้เต็มทัพีนะให้เท่านี้ก็จบหมดไม่หมดก็คือในนั่นแหละที่สักใส่ในบาทให้ดีไม่แบบเนี้ยรู้แต่ว่าก็ควรจะมีนะบางคอสบางอะไรควรทําำ จับฉลากเขาตั้งพัตตุเทศกะคุณสมบัติพัตตุเทศก็จะมีนะเขาจะบอกว่าหนึงคุณสมบัตินะเป็นผู้มีจิตตั้งมัน่นดูดิมีใจเป็นกลางไม่จิตตั้งมัน่นมีใจเป็นกางไม่ใช่ยงจ่อยากให้ก็ให้จิตไม่ตั้งมั่นนี่ก็วันไหวก็ไม่ได้ด้ต้องตั้งมัน่นต้องเข้มแข็งแล้วมีอะไรมีคุณสมบัติส1บเอ็ดข้อน่นะ ของเราเองวัดต่างๆวัดอย่างสายปฏิบัติธรรมบางแห่งก่อนจะทานอาหารนะมีการแจกพัดเป็นภาษาบาลียะเกพันเดรดันโดอัสมาวันเดสัมปชีชานามิอะไรพูดอย่างนี้ซะไม่เข้าใจว่าคำว่าพัดตุเทศคืออะไรดันเอาคำบาลีมาสวดกันแล้วก็พบวอา่านี่คือการแจกพัดอัาคำบาลีเนี่ยก็ เลื่อนให้คนนั้นเลื่อนให้คนนี้ไปเรื่อยๆคนละเรื่องใช่ไหมคนละเรื่องคนละเรื่องคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็คือเวลาเอาไปปฏิบัติทำน่ะว่าปฏิบัติเพี้ยนไปอ่ะในความหมายนั้นก็ไม่เข้าใจไอ้ที่สวดเนี่ยเวลาแจกก็เหมือนไม่เข้าใจในเมืองเขาจะมีมเสนาสนะขาหาพปกะผู้แจกที่อยู่ด้วยอย่างกุฏิเนี่ยจะให้ใครไปพักอยู่หลังไหนอะไรยังไงจะมีจะมีคนแจก ว่าคนไหนควรหลังไหนอะไรยังไงคนมาก่อนมาหลังคนอาวุโส ค, คนอะไรนี่แต่เนี่ยเขาจะมีเนี่ยบางทีก็มาถามลุงตาว่าคนไหนควรอยู่อันไหนเ้าจะรู้ว่าคนนี้มันชอบคุยกับคนเนี้ยแล้วยกกันไปมันหลายเรื่องนะคนนี้ไม่ชอบทําสะอาดเอาไปอยู่ที่มันรกๆกที่เนี่ยอคนนี้ชอบอืมไม่ทํควาสะอาดไปอยู่ที่สะอาดบางทีจิตมันก็ตื่นมีความละอายเดี๋ยวก็ทำอีกคือทุกอย่างเนี่ยทําเพื่อการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงจิตได้สำนึกของแต่ละคนให้มีความตื่นตัวขึ้นมาทีนี้ก็มีอีกหนึ่งอะไรเขาเรียกว่ามีมีบุคคลอีกคนหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรอะเรียกว่าที่เราต่าก็ลืมคนเนี้ยจะเป็นคนไปแจกเวลาเขามานิมนต์เอานิมนต์ห้ารูปอย่างเงี้ย นิมนต์ห้ารูปเอาไข่มั่งนิมนต์ห้ารูปไปฉันบ้านนี้เขาจะจดไว้ในนี่ก็ไปหานิมนต์คนนี้ก็ไปนิมนต์นิมนต์เรื่อยๆนิมนต์องนั่นนิมนต์องนี้เขาเรียกว่าไปแจกไปจดเอานิมนต์เด้อเนี่ยจดชื่อลงไปอแต่เฉพาะคนนิมนต์ห้ารูปแต่คนนี้มีหน้าที่ไปไปแจกเขาเอื้นไว้อยังก่อเน้นหยุดอันคู่ประยุทธเรียกว่าอะไรนะฮะอ๋อเอาอยู่วัดหนองแวงเห็นไหวได้เนาะ เขาถือกระดาษไปนะผู้ใดเป็นผู้จแจกบัตนงเว้งเออเออพระเป็นผู้แจกดูดูไม่เคยเห็นบ่อันนี้ก็เพื่อไม่เสียใจนะจิมให้นิดเดียวนะนิดเดียวแค่นี้อาจารย์พันหุจัก์อาจารย์พันบ่อ้วนอวนมหม อ, อาจารย์พระคู่อวนธรรมศาลไหม เป็นคนแจกพัดหลวงตาไม่ค่อยได้ไปกับเขาหรอกพ่อเวลาประชุมที่ไรเถียงแล้วเขาห้ามไป <c oughs> เวลาประชุมกระถิน่นบ้างอะไรบ้างส่วนมากหลวงตาจะอีกอย่างหนึ่งเขาหมั่นไส้เพราะหลวงตานี่จะไปกับระดับเวลาไปประชุมใหญ่ไปอะไรจะไปกับท่านเจ้าคุณไปกับอะไรบ้างอืไปกับเจ้าอาวาสไปกับอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวก็เอา้าวขึ้นเครื่องบินแล้วเขาต้องไปรับ สนามบินอะไรแบบอันพอมากิีฑาในมนเนี่ยไม่เคยเจอสักทีอะนะหลวงตามีเนนเยอะเนนยุทธนี่จะรู้จักจนว่าเนรเนรยุทธรู้จักเนรหลวงตาหลายคนเลยเนรเนรวิรพันธ์ในท่านเขาไหมเนนสมัยพวกเนี้ยพระครูพวกนี้เขาเป็นพระครูหมดแล้วที่มาเนี่ยเนนยุทธท่านเขาไหมเนรท่านอยู่นะท่านอยู่ท่านผ่าไม้อายุอายุเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้เน่ะถึงยี่สิบสองหรือยัง ขวุมยุทธ์ไหมโอ้ยิบเจ็ดน่าจะทันอยู่เนาะมันนะยิบเจ็ดแล้วดูหน้าเด็กๆอ่อนๆเลยนะฮพอสังเกต ด, ดูนะยังนอนไม่พอหลับตลอดเหมือนเด็กอ่นะีแต่เวลาประชุมหลวงตาก็ไม่กล้าพูดนะอันเนี้ยพระเยอะๆเนี่ยประมาณสักสี่สิบห้าสิบเป็น 100, ร้อยอนด์ว่าเนี่ยเขาก็จะเป็นว่าอา้าวบาทีก็กลมไหน ที่ถูกกันเนี่ยก็จะนิมนต์ไปหลวงตาไม่มีอสอนหนังสือลงตาไปสอนหนังสือสอนหนังสือลงตาสอนหนังสือจากวัดธรรมดาจนต้งเป็นเป็นสํานักเรียนดีเด่นประจำจังหวัดตัวนี้ไมไ่ธรรมดาด้คือทําอะไรก็คือทําจริงทําจังอะ่ะแต่ก่อนไม่ไมเคยมีพอหลงตาเข้าไปเนี่ยถ้าทําเริ่มทําไปซื้อโรงเรียนเก่ามาจากชุ่มแพลมาตั้งทํามีเนนไปอยู่ด้วย ก็ทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดทูทำอะไรประมาณเนี้ยสอนหนังสือได้เดือนละหนึ่งร้อยห้าสิบาทหนึ่งร้ยห้าสิบาทเนี่ยเขาไปสวดมือเดียวเกิน <c oughs> แล้วของเรานี่1หนึ่งเดือน <c oughs> ได้ร้อยห้าสิบาทบางทีก็บอกว่าเงินยังไม่ออก <c oughs> เงินยังไม่ออกพอมาเนี่ยเราเต้าไปไหนร้0ยห้าสิบาทเราเต้ามาแจกนิน ในตรงนี้ยี่สิบในตรงนี้สามสิบบาทนะเพราะอะไรเพราะเราให้เขาเป็นพันโรงไปถูไปทําสะอาดโรงเรียนนะ่ะก็ให้เขาเพอเวลาเข้าที่ประชุมแล้วเราเสนอบอกว่าให้เงินเดือนเน้นด้วยนะเขาไม่มีอ่ะเพราะแต่ก่อนมันทุกยากนะทุกยากมันไม่ค่อยมีตังคนะ์รถต้นน้ําต้นไม้รถนั่นรถนี่ทําสะอาดถูห้องส้วมห้องอะไรด้วยทําสะอาดก็ให้เขา ตอนนั้นก็คือต้องเลี้ยงโอวันตินเขาตอนเย็นกาแฟพวกนี้โยมเอามาส่งให้หรอกโยมมาส่งให้แต่เขาก็จะชงเลี้ยงนี่อาจารย์ลำคลองสิทธิ์เนี่คนหนึ่งเนี่ยเนนกระตเตนี่อยู่กับหลวงตาเอ็นเนนพวกนี้ไปอยู่ที่หลังคือมันคนอยู่ด้วยนี่ถ้าฟังเราคือไม่มีใครที่ไม่ดีอก็ดีหมดนะดีวอด มีเนนนองเน น, เ น, นสมจิตน่นอนตลอดหลับตลอดนะแต่มันหัวดีนะท่องจำอะไรมันเก่งแต่ว่ามันนอนหลับหลับง่ายเมื่อส่วนขี้เกียจปฏิบัติหลายชวนไปปฏิบัติทำก็แต่หัวดีขี้เกียจไปเอาไปมาผีเสื้อเอาไปกินน ะ, นะเนนสมจิตนะคื อ, ขอเขาเอาไปแต่งงานแล้วนะจมเนะ่ เน้นเน้นสมควรเน้นสมควรเอาไปปฏิบัติธรรมด้วยช้อนติดอยู่ในปากหลับอยู่ไมาได้กินข้าวนะหลับมากแต่สอบเดี๋ยวนี้เป็นประโยคแปดนะรุ่นหลังมหาสมัยหน่อยนึงเองแต่คนไม่ชอบไปปฏิบัติธรรมเนี่งควรอยู่กรุงเทพแหละอยู่วัดจักรวรรดิราชา ว, วาดหรือว่าอะไรจำไม่ได้เพราะเป็นพระผู้หลักผู้ใหญ่หมดแล้วมั้งเดี๋ยวนี้นะเนี่ย องหนึ่งเนี่ยเรียนหนังสือเนเนอะไระเนเ น, เนเนี่ยเป็นเดี๋ยว น, นี้เป็นเจ้าคุณแล้วเป็นรองอธิการบดีมหาจุลาลงกรนะรองมหาวิลลยนะก็ะเก่งแหละเป็นเจ้าคุณด้วยเป็นฝ่ายอะไรอะฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้จำไม่ได้นะแต่ก่อนตัวร่องผอมเวลาพูดนี่กวนลอนตาไม่ได้คิดว่าเขาจะอยู่อายุยืนบั น, นี้นะนะในพระเหลืองเนี่ยนะ ยังจำได้เลยให้มันออกไปพูดหน้าห้องมันพูดนะชีวิตอาตมาโตขึ้นใฝไฟฝันไว้เสมอว่าอจะต้องมีปัจจัยสี่ให้เพียบพร้อมเนะเขาบอกนะชีวิตเขานะจะต้องมีปัจจัยสีให้เพียบพร้อมจะไมให้น้อยหน้าใครในเรื่องของสุรานารีบุรีไม่ขีดไฟนั่งจำได้เนี่ยปัจจัยสี่มันนะเนี่ย โอ kings. ้ปัจจัยสี่มึงเนอะว่ะเดี๋ยวนี้มันเป็นเจ้าคุณแล้วเวลาพูดอะไรพูดซึ้งแต่ครั้งแต่ละครั้งนี่เวลาไปพูดเนี่ยคําพูดมันมันจะหาอะไรที่มันคือมันเป็นคนคิดเป็นนะดูเป็นคนคิดเป็นแต่เดี๋ยวนี้เอาได้ยินเขาบอกว่าเอาเขาเอาไปออกทีวีไปนั่นไปนี่อย่ไปไนนะเดี๋ยวนี้เป็นตัวตั้งตัวตีจัดตั้งธนาคารพระพุทธศาสนานะ เมื่อกี้ก็วาระตกไปมั้งเพราะว่าธนาคารมสริมเขาเขาอ้างธนาคารอิสลามมีปัญหาเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้สภาพคล่องแย่เลยจะเอาสภาพสัทธ า, า พ, พุทธศาสนาขึ้นมาอีกเลยนี่นะจริงจริงมันเข้าถึงสภาพพุทธศาสนาแต่มันก็ตกขั้มไปแต่ท่านก็กําลังจะทําไหมนี่นะเนี่ยควนขวายดีทําในทำมหาในนามมหาวิทยาลแต่ก่อนตัวพอ พ, อพร้อมเล็กๆเดี๋ยวนี้อ้วนทวนสวมบูรณ์มาก ด้วนเหมือนหุ่นใหญ่ๆแบบกุมยุทธนี่แหละแต่ต้นสูง<อ>มันทีไม่ไปก็ไม่มีปัญหาอะไรนะไม่ได้ไปเมื่อก่อนเราไม่ได้ปฏิบัติทำนะโอ้ยมันก็น้อยใจบางทีเอ้ยทำความดีแทบตายนะเวลาไปนี่มนไปสวดไปฉันอะไรโอ้ไม่มีเราเลยเนาะแต่ทีเอาไม่มีก็ไม่เป็นไรไปบินทบาทนะไปบินทบาทมาฉัน เวลาไปบิณฑบาตมาฉันเนี่ยมันต้องมีโยมอุปถากนะแต่ละคนนะ่ะคนนี้ไ ม, ไม่ออกคนนี้ค้าไม่ออกคนนี้ค้าไม่ออกคนนี้ค้าต้องอาใจใส่คือเขาไปผูกข้อเป็นเป็นลูกเขาแต่ละคนหลงตาไม่มีนะเขาไปผูกให้อยู่แต่ว่ามันไกลจากวัดเขาก็มาบ้างไม่มาบ้างคือจะรับประทานเจฉันอาหารเนี่ยต้องมีปตัวที่โยมคนเนี้หลงคุ้นเขาเขาก็มาส่งให้ คนนี้ก็มาส่งให้เราไม่มีคนมาส่งนะแต่อยู่ไปบินธบาตได้ก็คือได้กินไม่ได้ก็คือไม่ได้กินบางทีก็ไปนั่งกินกับเขาไปนั่งชั้นขอเขาก็เอ้ยมันเกิอะไรอยู่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะบินธบาตมาไม่ได้วันนีก็ได้แต่ข้าวเจ้าไปบินธบาตแต่ขอนชุมชนมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะี่ไปบินธบาติได้ข้าวเจ้ามาในน่องได้ทับพีนึงมากเลยล่นตาก็ เขาจะรู้อ่ะคนที้อยู่รุ่นต่าก็ไปซื้อธรรมดานะบางทีไปวินตบปปก็ได้ตังค์เด้ได้ตังค์มาหกบาทเนี่ยไปซื้อน้ำปลาทิพย์รถเนี่ยรถทิพย์มันตั้งไว้นะมาก็เอ้าบินตุปปาตั้ได้น้ำปลาจิ๊ดจิ๊ดใส่ในบาทก็ตั ก, กินหมดปุ๊บอ่านหนังสืออืมร่งงานหนังสือบางทีก็มีโชคดีขึ้นหน่อยมีตังค์เราก็ซื้อนมนะ ตามะลินะยังไม่ถึงตามหมี่นะมันแพงไปตามมะลิมาจเจาะเนากระดาษที่ชู่ผิดไว้กลัวมดลงบางทีมันมดลงก็ยังเอามากินนะมันตายได้แล้ววะคิดอย่างเดียวว่ามันเป็นโปรตีนเหมือนกันแหละยินคิดเหน็นนะมันต้องคิดนะปิดฝาแล้วก็เปิดโรยใส่ก็ตักข้าวกินบางทีน้ําตาเนี่ไหลป๊บป๊บป๊อบนะสมเพศตัวเองใส่บาตรนะนะ ทานอาหารไปเนี้ยบางทีเขามาเทใสแ่แก้วน้นะาํ า, า, าแก้วน้ํานะเอาข้าวมาใส่แก้วแล้วก็ทีนมใส่บางนี้ก็นับบัตรทานไปแต่อยู่นะเราทําไม่หนีนะอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะสร้างคุณค่าให้ตัวเองให้คนเห็นเลยไม่ไม่ได้คิดอย่างนั้นคือมันอยากอยู่ก็คืออยู่อะ่ะอันกินเนี่ยไม่ได้กินเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติคนจะนิมนต์ไม่นิมนต์มันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้เกี่ยวกันนะแต่อยู่วัดที่ไม่เคยเนี่ยที่ ไปไหนมาไหนไม่เคยไม่ลาจะาอาวาสไม่บอกไม่ลาไม่เคยคนอื่นเขาอยากไปเขาไปมีพระอยู่กันสี่สิบห้าสิบรูปเนี่ยเจ้าอาวาสไม่เคยถามหานะแต่ถ้าลวงตาหายไปวันหนึ่งจะถามหานะะเพราะเราคลุกคลีเอาใจใส่อันนั้นอันนี้ท่านจะเห็นอยู่เรื่อยแต่ว่า ไม่เคยเห็นนะเวลาไปนิมนต์สมมติปไปนิมนต์อนี้ปุ๊บจะไม่มีหรอกแต่จะมีองค์อื่นเฮีเมื่อทีท่านก็ถามว่าทําไมไม่ให้หลวนตาไปด้วยหรือวะนั่นนะเขาก็เลี่ยงๆไปไม่จบไปเขาไม่ได้ไปอ่ะเขาไม่เป็นไรไม่ได้ไปเอา้าสมมติเดือนหนึ่งเนี่ยเขามีไปนิมนต์ทุกวันลูนตาจะมีอยู่หรอกครั้งนึง่งพอได้ไปบ้าง นี่นี่หน่อยพอเป็นพิธีมาแล้วก็ใจใส่แต่โยมเขาก็เห็นเน้นหลวงตาที่อยู่ด้วยจะมีโยมรับอุปถากส่งเรียนหมดเลยส่งมามารับส่งเรียนให้ค่าเทอมนะค่าเรียนหนังสือหนังหาเขาเห็นดีเน่นอยู่ด้วยนี่ก็จะมีมีงานหน่อยคือเลี้ยงหมาหมาก็เลี้ยงหมามันเยอะนะหมามันเป็นขี้เรื้อนเป็นอะไรเนี่ยก็ให้ดูแลเลี้ยง นะท่านเจ้าคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสไปท่านมาท่านก็จะให้ตังค์ท่านก็จะโยนลงมาจากชั้นสามชั้นสองปิวลงมาอ้าวกลวะละปะเพึกหล่นท่านนะไนะเนียน